ผู้ให้กำเนิดแล้วพวกเราทุกคนนะย่อมมีครูบาอาจารย์แต่จะดียิ่งขึ้นถ้าว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพนับถือหลายคนนะ่ยมีครูบาอาจารย์แต่ว่าไม่ได้มีความเคารพในครูบาอาจารย์เหล่านั้นอาจจะเป็นเพราะว่า ถ้าเรานั้นไม่ได้ทำตัวให้เป็นที่น่าเคารพนับถือเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีครูบาอาจารย์นะซึ่งเป็นที่เคารพนับถือนี่ก็ถือว่าโชคดีสระชาพุทธครูบาอาจารย์ของเรานะผู้เปิเสริสุดก็คือพระพุทธองค์นะซึ่งเราเรียกเป็นพระบรมศาสดา แต่ว่าบางคนหรือที่จริงก็หลายคนนะาไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระบรมครูแต่จะนับถือในทางที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะบันดาลให้ได้สมปรารถนาเราจะเห็นหลายคนก็มา มาวัดเพื่อจะมากราบนะขอนั่นขอนี้จากพระพุทธองค์นะอันนี้ก็แสดงว่าเขามองพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะที่มีทิพประเทหารสามารถจะบรรดาลให้ประสบความสมหวังได้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่านับถือพระพุทธองค์เป็น บรมคูนะงั้นถ้าเราต้องถือพระองค์เป็นบรมครูก็คือว่าเราพร้อมจะเปิดหูเปิดใจรับฟังคําสอนของพระองค์แล้วก็นํามาประปฏิบัติตามหรือผู้ใหญ่นะั่นคือว่าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์นะไม่ใช่หวังผลประโยชน์ หรือว่าวิงวอนร้องขอนะเพื่อให้ได้ผลสำเร็จอย่างที่ต้องการนะมันต่างกันนะระหว่างการปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์กับการวิงวอนร้องขอให้พระองค์ช่วยดลบันดาลเช่นให้ร่ํารวยให้หายป่วยให้ประสบความสําเร็จนะให้มีแต่คําว่ามีไม่รู้จักคําว่ามไม่มีเนี่ยอันนี้แสดงว่า เรากำลังนับถือพระพุทธองค์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะไม่ใช่ เ, เป็นพระบรมครูหรือเป็นครูผู้ประเสริฐสุดอันถ้าเรานับถือพระองค์เป็นพระบรมครูเนี่ยนะก็ถือว่าเราโชคดีนะเพราะว่าคำสอนของพระองค์นั้นเนี่ยนะลวนแล้วแต่ชี้ทางไปสู่ความดักทุกข์อย่างแท้จริง และทางดับทุกเนี่ยนะมันเป็นทางที่ต้องอาศัยความเพียรโดยตัวของเราเองแต่บางครั้งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าพระบรมศ า, ศาสดานะเป็นครูที่อยู่ไกลเกินเอื้อมนะเพราะว่าทรงอุบัติขึ้นเมื่อสอง0มหก้อกว่าปีที่แล้ว สิ่งที่เรารับรู้เกี่ยวกับพระองค์ก็เป็นแค่ข้อความที่จารึกไวในพระไตรปิฎกแล้วก็มีคนมาเล่าสืบต่อซึ่งก็ทำให้เราเกิดความศรัทธาแต่ถ้ามีครนะูที่เราเคยพบเคยเห็นหรือว่าเป็นครูที่เราเคยได้รับฟังคำสอนหรือว่ายัางคงได้รับฟัง ได้เรยรู้จากท่านนะก็ถือว่าเป็นโชคดีประการหนึ่งนะโดยพ่อะถ้าเป็นครูที่ชี้ทางไปทางเดียวกับพระพุทธองค์นะหรือเป็นหรือเป็นครูที่ช่วยให้เรานะักเข้าใจคำสอนของพระองค์ให้เราเห็นประจักษ์ชัดว่าเนะี่ยคำสอนอพระองค์เนี่ยทาได้จริง โดยมีครูผู้ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบเนี่ยเป็นตัวอย่างอันในชีวิตของเราเนี่ยต้องมีครูนะที่เราพบสัมผัสได้นะที่นอกเหนือจากพระบรมศาสดาเป็นครูที่จะทำให้เราเข้าใจคำสอนของพระองค์แล้วก็เกิดศรัทธาเกิดกำลังใจในการที่จะปฏิบัติตาม หลวงพ่อมเคียเนี่ยเป็นเป็นครูท่านหนึ่งนะที่พวกเราเนี่ยถ้าว่าได้รู้จักนะหรือว่าได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่านก็นับว่าโชคดีหลายคนก็ได้มีโอกาสฟังคำสอนของท่านแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคำสอนของท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคำสอนที่ชี้ทางนะไปสู่ความพ้นทุกข์นะเป็นคำสอนที่ชี้ไปทางเดียวกับที่พระพุทธองค์นะนะส่งได้ริเริ่มเอาไว้นะมีคำกล่าวว่านะครทูทั่วไปเนี่ยทำหน้าที่เพียงแค่สั่งสอน นะหรือสอนด้วยคําพูดครูที่ดีกว่าก็คือครูที่ทําให้ดูนะคือไม่ใช่สอนด้วยคําพูดแต่ว่าทําให้ดูเห็นเป็นแบบอย่างแล้วครูที่ดีที่สุดก็คือครูที่สร้างแรงบันดาลใจนะให้เราเรื่องพอคเขียนเนี่ยท่าไม่เพียงแต่สอน ด้วยคำพูดท้าไม่เพียงแต่ทำให้เราดูนะแต่ว่าท่านยังสร้างแรงบันดาลใจนะให้กับลูกศิษย์หลายคนบางคนอยู่ไกลนะแต่ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านแต่บางคนอยู่ใกล้ก็อาจจะไม่ได้รับแรงบันดาลใจจากท่านก็ได้อันนี้นะ มันก็เป็นเรื่องของคนแต่และคนที่จะรู้จักเก็บเกี่ยวจะเชื่อว่าถ้าใครที่ได้รู้จักนะแล้วก็อยู่ใกล้ชิดหลวงพ่อก็คงจะเห็นได้ว่าท่านเนี่ยนะไม่เพียงแต่สอนด้วยคำพูดแล้วก็ไม่เพียงแต่ทำให้ดูนะแต่ว่ายัางบันดาลใจนะให้พวกเราเกิดความใฝ่ธรรม แล้วก็เกิดความเพียรเกิดชันทะในการประพฤติปฏิบัติ ด, ด้วยเอาครูที่สอนด้วยคำพูดนี่ไม่มีเยอะนะแต่บางท่านก็ได้แต่สอนแต่ว่าทำให้เราเห็นเนี่ยไม่ได้หลวงพ่อท่านทำให้เราเห็นบางครั้งท่านไม่ได้พูดนะแต่การปฏิบัติของท่านเนี่ยมันก็ สอนเราได้มากมายบางทีท่านอยู่เฉยๆนิ่งๆนงนะเราก็ได้บทเรียนจากท่านนะเช่นความนิ่งความสงบเวลาท่านสอนท่านพูดเรื่องความสุขตัวเราก็เชื่อจริงๆนะว่าท่านมีสิ่งนั่นอยู่กับตัวด้วยเพราะว่าท่านแสดงให้เราเห็นว่าท่านอยู่อย่างสงบอยู่อย่าง เย็นชนิดที่เพียงแค่อยู่ใกล้ๆนะเราก็ปล่อยเย็นใจไปด้วยบางคนอาจจะมีความวิตกกังวลกลับกุ้มรุมร้อนนะแต่พอได้มาอยู่กับท่านได้อยู่ใกล้ท่านนะเห็นรอยยิ้มของท่านสนทนากับท่านก็ปล่อยอาหายรุ่มร้อนแต่ท่านั้นคงไม่พอนะ เพราะว่ามันก็เป็นความสงบเย็นชั่วคราวและสิ่งที่ดีก็น่านคือเกิดแรงบันดาลใจนะที่จะประพฤติปฏิบัตนะิเพื่อให้ความสงบเย็นนะความสึกตัวนั่นเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดนะโดยที่ไม่ต้องรอให้มาอยู่ใกล้หลวงพ่อก่อนนะถึงค่อยมามีสติค่อยมีความรู้สึกตัวนะครูที่ดีเนี่ยนะเขาสอนเรา จากการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะเวลาเกิดสิ่งที่เรียกว่าอ น, นิจฐารมอ น, นิจฐารมก็คื อ, อความเสื่อมลาบเสื่อมยศการถูกต่อว่าด่าทอหรือว่าการถูกสิ่งต่างๆมากระทบเชือนความเจ็บป่วย พูง่าคือว่าสิ่งไม่ดีที่มากระทบกับเราเนี่ย น, นั่นเรียกว่าอนิจฐานลมคนเราเนี่ยจะจะแสดงตัวตนที่แท้จริงนะก็ตอนที่มีสิ่งไม่ดีมากระทบไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้งทางกายรวมทัทง้งทางใจรู้ความเขียนในเวลามีอนิจฐานลมมากระทบเนี่ยท่านก็สามารถจะสงบดิ้งได้ สมัยที่ท่านามาบุกเบิกนะที่วัดป่าสุกโตแล้วก็ดิวะภูเขาทองท่านทำอะไรหลายอย่างนะที่พระทั่วไปไม่ได้ทำซึ่งรู้แนละ้วแต่ก็เป็น ส, สิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่คนก็อา จ, จะไม่เข้าใจคนที่เสีผยผลประโยชน์ก็มีเยอะเขาก็ต่อว่าด่าทอท่านนะหลายคนบางคนก็มาด้วยความโกรธนะแต่พอระบายความโกรธใส่ท่านเนี่ย ไอความโกรธนะั่นมันก็สลายไปเลยปกติคนโกรธเนี่ยนะเวลาเขาเจอใครเนี่ยแล้วเขาระบายความโกรธนะด้วยคําต่อว่าด่าทอเนี่ยอีกฝ่ายก็จะโกรธตามไปด้วยคล้ายๆามันติดต่อกันได้นะความโกรธนี่มันมันเหมือนกับเชื้อโรคนะั่นมันต่อกันได้นายกโกรธดา่านายขนายขอก็เลยโกรธ ว่าคนคนที่โกรธนะเมื่อระบายความโกรธใส่หลวงพ่อไอ้ความโกรธนั้นก็สหาหัสลายหายไปเลยไม่ได้มีไม่สามารถจะติดเชื้อหรือว่าก่อตัวขึ้นนะในจิตใจของหลวงพ่อได้อันนี้คงเป็นความหมายหนึ่งนะของที่หลวงพ่อของคำสอนของหลวงพ่อที่มักจะพูดให้เราฟัง สมัยท่านมีชีวิตอยู่นะก็คือว่าเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธนะหลายคนฟังก็งงๆนะมันหมายความงเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธความหมายเนื้อคือว่าเนี่ยใครที่ระบายความโกรธใส่ท่านเนี่ยพอมาถึงจิตถึงใจท่านมันก็หายไปเลยมันกลายเป็นความไม่โกรธนะเพราะอะไรเพราะท่านมีทั้งสติและปัญญาที่เราเรียกมรวมว่ามีธรรมะ พวกเราก็ทําได้นะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธถึงแม้ว่าเราจะเผอโกรธไปแล้วนะเวลามีใครมาต่อว่าด่าทอพอเสียงกระทบหูนะจิตปรุงแต่งขึ้นมาเป็นความโกรธแต่เราก็สามารถจะเปลี่ยนความโกรธในใจนั้นให้กลายเป็นความไม่โกรธได้ด้วยการมีสตินะพอเรามีสติรู้ทันความโกรธ ที่มันเกิดขึ้นในใจไอ้ความโกรธนั้นก็หายไปนะกลายเป็นความไม่โกรธเราจะทำอย่างหลวงพ่อไม่ได้ทีเดียวนักว่านะพอเขาระบายความโกรธใส่ท่านแล้วท่านไม่รู้สึกโกรธไอ้ความโกรธที่ถูกระบายมันหายไปนะทันทีที่กระทบใจท่านแต่ถึงแม้มันมันกลายมันมันมาก่อตัวขึ้นมาในใจ หลังจากที่เสียงนั้นมากระทบหูแต่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธได้โดยการมีสติพอมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันก็หายละลายกลายเป็นความว่างเปล่าไปเลยก็ได้มีคําพูดของหลวงพ่อทํานองนี้อยู่บ่อยๆนะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความหลงให้เป็นความไม่หลง อันนี้มันมีความหมายนะมีความหมายที่ลึกซึ้งนะปกติไอ้ความทุกข์กับความไม่ทุกข์เนี่ยหรือความโกรธกับความไม่โกรธเนี่ยเราไม่เข้าใจว่ามันเป็นคนละขั้วกันอยู่แยกกันทุกข์อยู่ตรงนี้ความไม่ทุกข์อยู่ตรงโน้นนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่หลวงพ่อต้องการบอกคือว่ามันเกี่ยวเนื่องกันมันเชื่อมโยงกันมันไม่ได้อยู่ค น, คนละขั้วมันก็อยู่คนละกาะ เราสามารถจะเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ไดนะ้เพราะว่าความทุกข์กับความไม่ทุกข์มันเกี่ยวเนื่องกันนะมันเชื่อมโยงกันเวลาคนเราเจอความทุกข์เราก็อยากจะไปต่อสู้กดข่มทำลายมันนะเวลาเราเจอความโกรธในใจเราก็พยายามกดข่มผักสมันนะแต่สิ่งที่หลวงพ่อสอนคือว่าไม่ต้องทำอย่างนั้น แค่เปลี่ยนมันนะไม่ต้องไปสู้กับมันแค่เปลี่ยนมันความโกรธนี่เเปลี่ยนได้ยังไงนะเปลี่ยนได้ด้วยการที่มีสตินะพอมีสติเข้าไปรู้นะมีสติเข้าไปเห็นนะความกลวมก็สลายตัวไปกลายเป็นความไม่โกรธเวลามีความทุกข์ใจเนะี่ยเห็นมันอ่ไอความทุกข์ใจก็หายไปกลายเป็นความไม่ทุกนะไม่ต้องไปกดคมนะไม่ต้องไปต่อสู้กับมันเพียงแค่ รู้ทันมันเห็นมันเฉยเฉยถอาคนส่วนให ญ, ญ่ไม่เข้าใจตรงนี้นะเวลามีความโกรธเวลามีความเศร้าเวลามีความรู้สึกผิดนะก็ไปตะลุมบอลกับมันนะเหนื่อยนะแล้วก็ไม่ได้ผลด้วยแต่เพียงแค่เรามีสติเห็นมันเฉยเฉยเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเลยนะหรือถ้าเกิดว่าเรายังเปลี่ยนมันไม่ได้ หรือยังไม่รู้วิธีเปลี่ยนนะเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกข์ยังเปลี่ยนไม่ได้ก็อย่างน้อยลองเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นธรรมก่อนเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมะนะเช่นความยากลำบากมันก็สามารถจะสอนให้เราหรือฝึกใจเราให้เข้มแข็งได้คนที่มีประสบความทุกข์ยากในอดีตชีวิตยากจนนะ อาจจะถูกพ่อแม่และเลยเพิกเฉยอาจจะถูกคนกั่นแกล้งบางคนเนี่ยก็ใช้ไอ้ความทุกข์ในวัยเด็กหรือความทุกข์ในดีเนี่ยเป็นข้ออ้างในการที่จะทำความชั่วร้ายม้เพื่อประชดโลกอาจจะเป็นขโมยจะเป็นพวกคาตกร อาจจะเป็นพวกโจรพวกขมคืนอ้างว่าเนี่ยเพราะว่าเอาใช้เป็นข้ออ้าง่ า, เ, เ, อาเอาความทุกข์นาดีเป็นข้ออ้างแต่บางคนก็ใช้ความทุกข์นาดีเนี่ยเพื่อเป็นข้อเตือนใจหรือเป็นแรงผลักให้ทำความเพียรอาจจะเป็นความขยมันเพียรในการเรียนหรือความขยมันเพียรในการปฏิบัติธรรมไม่อยากจะ เจอความทุกข์ความยากในดีแบตบนั้นอีกก็พยายามต่อสู้ดินน้นรนภาคเพียรเลียนหนังสือทำความเพียรอันนี้ก็เรารู้จักเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมบางคนเจ็บป่วยแทนที่จะซ้าเติมตัวเองปล่อยให้ชีวิตตกต่าแย่ททำไมต้องเป็นชั้นทำไมต้องเป็นชั้นนะบางทีก็ไปหาอบบยามุกนะบางทีก็ตกจมอยู่ในความซึมเศร้า บางคนก็เวียงบินใส่คนอื่นเพื่อเป็นการประชดหรือ เ, อเป็นการแก้แค้นแต่บางคนพอเจอความเจ็บความป่วยแล้วนี่เขากลายเป็นคนเข้มแข็งกว่าเดิมเมื่อสองสามวันก่อนก็ไปไปเยี่ยมคนป่วยคนหนึ่งเธอเป็นโรคพุ่มพวงนะแล้วก็อาการก็หนักมากมันเจ็บไปหมดทั้งตัวรู้สึกเจ็บแมก้กระทั่งกระดูก นิ้วมือนี่ก็คดงอแตกหักง่ายหน้าตาก็บวมหายใจก็ลำบากการพูดนี่พูดอย่างคนธรรมดาพูดนานๆไปก็เหนื่อยแต่ว่าจิตใจเธอเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็จิตใจก็อ่อนโยนด้วยมันตรงข้ามกับตอนที่เธอเริ่มป่วยใหม่ๆสมัยเป็นวัยรุ่น ตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะพอเริ่มเป็นเนี่ยนะเรียนหนังสือไม่ได้มารักษาตัวที่บ้านเธออายอายมากเลยเพื่อนจะมาเยี่ยมก็บอกให้แม่ไปบอกเพื่อนว่าเธอไม่อยู่เพื่อนจะมากี่ครั้งมากี่คนเธอก็พยายามมาทางบาบเบี่ยงเลียเ่ยงไม่อยากพบเพื่อนอายนะ อันนี้มันสะท้อนหนึ่งจิตใจที่ไม่ยอมรับความเจ็บป่วยมันไม่ใช่แค่กายป่ว ย, ยเดียวใจก็ป่วยด้วยแต่หลังจากที่เธอป่วยติดต่อกันมาหลายปีจนกระทั่งบางครั้งก็ชิดไม่รอดทุกวันนี้ก็อยู่ห้อง icu มาสี่ปีแล้วไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่แต่จิตใจนี่กลับเข้มแข็งมากเข้มแข็งในที่นี้ไม่ใช่แข็งกระด้างนะมีความอ่อนโยน พยายามใช้ชีวิต ใ, ให้มีประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นอยู่บนเตียงก็ทำโน่นทำนี่เพื่อช่วยเหลือคนที่เจ็บป่วยอย่างเธอนะเช่นทำตุ๊กตาให้ทำเองไม่ได้ก็ให้เพื่อนช่วยอาศัยคอมพิวเตอร์อาศัยแทนะ็บเล็ตนี่แล้วคอยประสานงานทั้งที่ตัวอยู่ยบนเตียงอยู่ตลอดไม่มี ไม่มีอาการของคนที่ตีโพยตีพายโวยวายหรืออับอายนะอันนี้มันแสดงว่าความเจ็บป่วยเนี่ยมันสอนเธอมันทำให้เธอเข้มแข็งขึ้นอันนี้ก็เรียกได้ว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะคนหลายคนเนี่ยเขาเขาเจอความทุกข์เจอความพัดพราก หรือว่าถูกต่อว่าด่าทอนะเขาก็เปลี่ยนให้เป็นธรรมได้หลวงพ่อเขียเคยพูดนะว่าเนี่ยไอความโกรธเนี่ยนะมันสอนทราให้เราได้มันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นได้ท่านพูดแม้กระทั่งว่าแม้ถูกด่าก็เห็นสัจธรรมได้อันนี้แหละคือการนะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะ เปลี่ยนความโกรธนะนะให้เป็นธรรมคือให้มันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเห็นเรื่องอะไรบ้างเห็นเรื่องโลกธรรมแปดนะมีคนชมก็ต้องมีคนต่อว่านะมีได้ก็มีเสียนะมีสุขก็มีทุกข์มันแสดงสัจธรรมให้เราเห็นนะเรื่องโลกธรรมแป มันสอนใจให้เราเข้มแข็งได้ด้วยนะมันสามารถจะฝึกให้เรานะมีสตนะิใช้สติรู้ทันความโกรธนะเหมือนกับเป็นเป็นโจทย์เป็นการบ้านให้เรามีสติรู้ทันอันนี้เรียกว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะเปลี่ยนทุกข์กายเป็นความไม่ทุกข์เพราะเรามีสติเรามนะีปัญญาแล้วเนี่ยไอ้ความไม่ทุกข์มันก็ตามมา ต้องรู้จักใช้ความทุกข์ให้เป็นประโยชน์นะหรือว่าใช้โลกธรรมฝ่ายลบเนี่ยหรือเรียกว่าอนิธารมให้เป็นประโยชน์ต้องรู้จักเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันให้เป็นของดีเหมือนกับเราเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นปุ๋ยขยะรูจุลาเนี่ยนะมันไม่ดีมันส่งกลิ่นเหม็นนะแต่ถ้าเรารู้จักใช้มันนะมันก็กลายเป็นปุ๋ย พอมันเป็นพอเราใช้มันเป็นปุ๋ยนะขยะหรืออุจาระก็กลายเป็นดอกไม้กลายเป็นผลไม้นะคนฉลาดนี่เปลี่ยนขยะเปลี่ยนอุจระสิ่งปฏิกูลให้กลายเป็นดอกไม้ที่หอมสวยผลไม้ที่หวานนะขยะเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นดอกไม้ที่สวยได้มันไม่ใช่เป็นสิ่งตรงข้ามกันอย่างที่เราเข้าใจ มันเป็นปัจจัยมันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันเช่นเดียวกับโกรธก็กลายเป็นความไม่โกรธได้ทุ ก, ก็กลายเป็นความไม่ทุกได้หรืออย่างน้อยๆ ย, ย่ยเราก็เปลี่ยนทุกกลายเป็นธรรมเอามาเป็นเครื่องฝึกเป็นเครื่องลดละขูดกล่าวกิเลสสมัยที่หลวงปู่ขาวยังมีชีวิตอยู่นาะที่วัดทำกองเพลนเนี่ยมีแม่ชีคนหนึ่งชื่อแม่ชีสาอุปถากพระเนนดีมาก เจ้าข้าแต่ละกนก็ปฏิบัติดีด้วยนะการูุปถักค์พระพนเนี่ยกับการปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้แยกจากกันนะมันเกื้อกูลกันนะถ้ารู้จักใช้นะหลวงปูข่ขาวก็ชมว่าแม่ชีสาเนี่ยปฏิบัติดีแต่วันหนึ่งเนี่ยนะท่านก็เรียกลูกศิษย์มาที่เป็นพระมาสองรูปบอกว่าให้ไปได่าแม่ชีสาสักหน่อยทั้งสองท่านก็คงจะงงนะว่า ไปด่าทำไมนะแต่ว่าเมื่อครูบาอาจารย์สั่ก็ไปไปที่กุติแม่ชีสาแล้วก็เล่แม่ชีสามาพอแม่ชีสามาก็ด่าเลยต่างนะผลัดกันดา่านะเพราะาบางทีจะดา่าก็ต้องคิดเหมือนกันนะบางทีคิดไม่ทันก็อีกรูปหนึ่งก็ด่าแทนแม่ชีสาที่แล้วก็งงนะแต่ว่าก็ตั้งสติได้ก็พนมมือฟังอย่างสงบทั้งสองรูปเนี่ยดา่าจนไม่รู้จะดา่าแล้วแล้วก็หยุดเลยนะ เงียบแม่ชีสาก็เลยพูดขึ้นมาแทนที่แม่ชีสาจะโกรธหรือแทนที่แม่ชีสาจะน้อยเนื้อต่าใจว่าทําไมครูบาอาจารย์ว่าเราเราอาตส่าห์ดีเราสาดูแลพระเนรไม่ให้ขาดตกบกพร่องทําไมท่านมาว่าเราแล้วเดี๋ยวคนหนึ่งเขารู้เขาเราจะหน้าไปสุกไว้ที่ไหนเนี่ยบางคนคิดแบบนั้นแต่ว่าแม่ชีสาเนี่ยไม่มีความคิดแบบนั้นเลยกลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยท่านอาจารย์ ดุดาดิฉันเสร็จแล้วเหรอดิฉันฟังแล้วซาบซึ่งใจเหลือเกินเสียงดา่านี่มปนเสียงธรรมะมทั้งนั้นเลยเข้าหน้านิมนต์มาดุดาใหม่นะมันจะได้กิเลสไม่ได้หมดไปทุกที น, นี่เรียว่าเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นธรรมนะเปลี่ยนคำต่อว่าด่าทอให้กลายเป็นเครื่องขูดกิเลสนี่นักปฏิบัตินี่ต้องฉลาดในการเปลี่ยนนะ เปลี่ยนทุกข์ให้กายเป็นความไม่ทุกข์เปลี่ยนความโกรธให้กายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนความหมองให้กายเป็นความไม่หลงนะเปลี่ยนคําต่อว่าด่าทอให้กลายเป็นดอกไม้นะนะหรือว่าเป็นเป็นเครื่องมือสอนธรรมนะให้ช่วยลดละอัตตาขูดกิดเลสให้มันเบาบางลงมีหลวงพ่อท่านหนึ่งนะอยู่ที่เมืองชนทนะ่บอกเนี่ยคนดีนะไขปลาขี่หมาให้ก็กลายเป็นดอกไม้นะอันนี้แหละเป็นฤทธ์นะ เป็นฤทธิชนิดหนึ่งนะแต่เป็นเลธิ์ที่เกิดขึ้นในใจนะหมายความว่าใครปาใคยะใครใค ร, ใครโยนนะสิ่งเลวร้ายใครมาใส่ร้ายต่อว่าด่าทอยอยังไงนะสติและปัญญาหรือคุณธรรมภายใ น, นก็เปลี่ยนให้กลายเป็นของดีนะอย่างที่ม่ชีสานะท่านอาจเป็นแบบอย่างนะคําสอนหลวงพ่อเนี่ยนะที่พูดเนี่ยนะไม่กี่ประโยช์เนี่ยนะลองไปพิจารณาให้ดีๆนะ เปลี่ยนทุกข์ให้เป็นความไม่ทุกข์นะเปยนความโกรธเป็นความไม่โกรธเป็นความมัวเป็นความไม่หลงไม่ต้องไปทาไม่ต้องไปต่อสู้กับมันนะไอ้ทุกขก์ความโกรธความหลงเนี่ยแค่มีสติสติก็ทำหน้าที่เปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ให้กลายเป็นของดีวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทําความเพียร น, นะเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาให้กับหลวงพ่อ ใครที่มีศรัทธาในหลวงพ่อนะก็ควรใช้โอกาสนี้เนี่ยนะในการนะกระตุ้นความเพียรให้เกิดขึ้นอาศัยศรัทธาที่มีต่อหลวงพ่อนที่เรานับถือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเพื่อที่จะดึงเอาความสามารถหรือคุณธรรมของเราให้ออกมาโดยเฉพาะความเพียรพยายามในการปฏิบัติ ทำความเพียงข้ามคืนเนี่ยมันไม่ใช่สบายนะมันเต็มไปได้วยทุกข์นะสำหรับคนที่ปฏิบัติใหม่ๆ ห, หรือแม้แต่ปฏิบัติมานานแล้วก็ตามแต่ความทุกข์ความยากลาบากเป็นของดีนะอันนี้เป็นบทเรียนภาคปฏิบัติเลยนะว่าเราจะเปลี่ยนความยากลําบากหรือเปลี่ยนทุกข์นี่ให้กลายเป็นธรรมได้อย่างไรเราจะ อาศัยใช้ประโยชน์นะหาประโยชน์จากความยากลำบากนะในการทำความเพียรข้ามคืนเนี่ยนะมันจะมีนิวรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นความง่วงนะรวมทั้งความปวดความเมื่อยเนี่ยไอสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าใช้ให้ถูกนะใช้ให้เป็นมันก็กลายเป็นของดีนะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งบางทีเราจะพบว่าโอ้ไอที่เราคิดว่าเราทำไม่ได้ที่จริงเราทำได้นะ คนเราเนี่ยถ้าไม่เจอความทุกเนี่ยมันไม่มีการพัฒนานะคนเราต้องทวนกระแสกิเลสนะมันจึงจะจรเลยงอกงามได้ปลาเป็นเนี่ยมันคือปลาที่มันว่ายทวนน้ำไอปลาที่มันไหลไปตามกระแสน้ำคือปลาตายนะถ้าเราอยากเป็นถ้าเราไม่อยากเป็นปลาตายเนะี่ยมันก็ต้องทวนกระแสกิเลส ทวนกระแยกิเลสก็ไม่ต้องถึงกับว่าไปสู้กิเลสนะแค่เปลี่ยนก็แค่เปลี่ยนนั่นก็พอนะนะเปลี่ยนกิเลสให้เป็นให้เป็นบารมีนะให้เป็นบารมีให้เป็นคุณธรรมคนเราเนี่ยความเพียรเนี่ยนะมันมีอยู่ในตัวแล้วอยู่ที่ว่าจะดึงออกมาไหมบางทีเนี่ยถ้าไม่เจอ ความยากลำบากมันก็ออกมาไอความเพียรมันก็ออกมาไม่ค่อยเต็มที่นะมันต้องเจอสถานการณ์ที่ลําบากความเพียรเนี่ยมันถึงจะออกมาเมื่อวันนี้ไปดูคลิปนะคลิปวิดีโอนะเป็นคลิปที่น่ารักนะแต่ว่าสอนได้ดีมากสอนใจได้ดีมากเป็นคลิปประมาณสักสองนาทีเสร็จเป็ดนะแม่เป็ดเนี่ยมันเดินขึ้นบันได มันไปอยู่ตรงบันไดที่สองที่สามแล้วแต่ลูกเป็ดสิบตัวเนี่ยมันขึ้นบันไดไม่ได้เพราะบันไดสูงกับตัวมันเนี่ยเท่าหนึ่งบันไดมีสองขั้นนะลูกเป็ดนี่ก็พยายามที่จะกระโดดขึ้นไปบันไดขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองแต่มันทำยังไงก็กระโดดไม่ได้เพราะว่าบันไดมันสูงขั้นบันไดนะมันสูง แม่ก็ยืนนะยืนดูลูกอยู่นะเหมือนกับเรียกว่าเหมือนกับบอกส่งสัญญาณว่าขึ้นมาสขึ้นมาสิแต่ลูกไปทั้งสิบตัวก็ยังขึ้นไม่ได้กระโดดแล้วกระโดดกะโดดแล้วกระโดดีกแต่มันก็ไม่เลิกกระโดดมันก็โดดอยู่นั่นแหละกระโดดทางซ้ายมาไหนมันก็เดินไปทางขวาแล้วกระโดดใหม่กระโดดมุมขวาไม่ไม่ขึ้นมันก็เดินวิ่งไปที่ทางซ้ายแล้วก็กระโดดอีก กระโดดอีกก็ไม่ได้กระโดดอีกก็ไม่ได้ตัวหนึ่งกระโดดเป็นสิบครั้งนะก็ยังไม่ได้แต่แล้วก็เริ่มมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองเนี่ยมันก็เริ่มกระโดดขึ้นมาบนขั้นบันไดที่หนึ่งได้แล้วก็เริ่มต้นกระโดดอีกขั้นหนึ่งซึ่งแม่มันรออยู่นะกดด็กระโดดไม่ได้น้องกระโดดอีกระโดดกระโดดเราดูแล้วเนี่ย ม, มันคงกระโดดไม่ได้นะเพราะมันทําเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยนะมันก็ สามารถจะกระโดดขึ้นมาบนขั้นบันไดแล้วก็ได้มาอยู่ข้างแม่ของมันเหมือนกับแม่มันต้องการสอนนะว่าเนี่ยต้องการฝึกให้ลูกนี่เข้มแข็งนะแม่นี่ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะแม่นี่ได้แต่ยืนดูลูกเห็นแม่เนี่ยนะก็ต้องพยายามที่จะขึ้นไปให้ได้อันคลิปวีดีโอนี่มันขอ้อบรรยายว่าอย่ายอมแพ้นะี่ว่ากิฟต์นะอย่ายอมแพ้ พอแม่แต่ลูกเจี๊ยบนะลูกเป็ดนี่มันไล่เดียงสารแต่มันไม่เคยยอมแพ้เลยและความเพียรที่เกิดขึ้นก็เพราะว่ามันมีโจทย์ใหญ่นะคือถ้ามันขึ้นไปบนบันไดสองขั้นไม่ได้นี่มันกับแม่ก็ต้องแยกกันซึ่งมันยอมไม่ได้นก็ต้องพยายามทำไม่ได้และวิธีที่ทำให้มันเข้มแข็งและทำให้มันเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นพอมันขึ้นไปกระโดดไปขึ้นไปขั้นที่หนึ่งได้นะ มันก็เริ่มมั่นใจแล้วว่ามันสามารถจะขึ้นไปขั้นที่สอง้วก็กระโดดดิกระโดดดกคนหนึ่งนี่กระโดดสิบเที่ยวหรือมากกว่านั้นก็ไม่รู้ไม่ได้นับนั่นนี่มันก็เป็นบทเรียนสอนใจคนเรานะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอนสิ่งที่ดูยากเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าชัยทาความเพียรมากๆก็เป็นไปได้เหมือนกันอวันนี้ก็เราก็มีโจทย์นะว่าเราจะพาตัวเราเนี่ยนะ ปฏิบัติข้ามคืนได้อย่างไรแต่ว่าข้อดีนะก็คือว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวเรามีคนร่วมทำหลายคนแต่หลาคนก็จะเป็นกำลังใจให้กับเราก็สำคัญก็คืออย่าไปตั้งจิตว่าทำไม่ได้หรอกนะถ้าคิดถ้าเริ่มต้นโดยว่าใจไม่สู้หรือสูไม่ไหวไม่ไหวนี่อันนี้ก็ไม่ได้ก็มีหวังว่าทำไม่ไหวจริงมันอยู่ที่ใจนะกายใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะ กายเราไหวแต่ใจไม่สู้ต่างหากนะแต่ถ้าจเราสู้เนี่ยกายมันก็จะไหวนั้นเน่นั่นเป็นโอกาสดีแล้วนะสำหรับคนที่อยากจะคนที่เคารพหลวงพ่อนะนับถือหลวงพ่อเป็นครูนะก็น่าจะลองใช้โอกาสนี้นะทำความเพียรเพื่อเป็นปฏิบัติบูชาหรือว่าใช้โอกาสนี้เนี่ยนะในการที่จะกระตุ้นนะให้เกิดความเพียรขึ้นมาเพราะความเพียรที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันจะไปใช้ ในการแก้ทุกขในวันข้างหน้าได้เราจะเริ่มปฏิบัติกันสองทุ่มนะทุกชั่วโมงทุกต้นชั่วโมงก็จะมีการแสดงทำประมาณครึ่งชั่วโมงนะตั้งแต่สองทุ่มนะไปจนถึงตีสาแล้วก็จะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะเราจะไปปฏิบัติกั น, กนที่สารกไกนะแล้วก็ตีสี่เราจะกลับมาที่นี่แล้วก็ทํากิจวัตรเหมือนเดิมนะจนกระทั่งตนะีห้านแล้วเราก็แยกย้าย ไปทำกิดลุ่งเช้านะเพราะนั้นเนี่ยนะใครที่ตั้งใจจะมาค้างที่นี่นะก็ขอเชิญชวนนะอาแล้วก็อ่ะยุติดเพียงเท่านี้